ที่ปรเนี่ยที่อบรมกันแค่ชาติ 2 ชาติก็ไม่ได้ สัตว์ที่เกิดในภูมิต่ำเท่าไหร่แต่สัตว์เกิดในภูมิสูง ก็จะอยู่ใน 89 หรือ 121 นั่นที่เราในเวลา 9 ครั้งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องๆหลายแง่ 89 เนี่ยก็แบ่งเป็นระดับอย่างโดย ในอภิธรรมนี้ยังได้แสดงขึ้นไปอีกถึงๆเนี่ยเป็นไปที่เราพูดก็ไม่ใช่พูดแค่นี้แล้วจบพระพุทธเจ้าได้ เหตุปัจจัยใดไม่ทําให้เกิดผลอะไรสอนเนี่ยเรา ที่สมควรแล้วที่นักๆพูดแล้วพี่สูตรได้แล้วพิสูจน์ได้พูดแล้วเอาไปปฏิบัติ แล้วก็ไม่ใช่แค่ได้ผลแค่เออจริงของเค้า ทุกวันเลยนะฮะแม้แต่การพูดท่านก็ถือหนึ่งก็เพราะจิตก็ดีแค่นั้นคนที่พูดได้ ในการพูดก็เป็นอํานาจทําไมจิตมัน สมัยเด็กๆเราเคยได้รับการสั่งสมอบรมจากพ่อแม่ยังไงตามติดมาเนี่ยอุตส่าห์ไปหลบๆซ่อน กฎหมายบ้านเมืองตัวเองน่ะรู้แล้วเวลาให้ผลเนี่ยกรรมก็ไม่ได้ไปอ้างอนุญาต ทำมาแล้วต้องไม่รู้กี่ภพนี่เป็นอํานาจชนิดหนึ่งแล้วก็มี เรเรเรเราอํานาจอย่างนี้ต้องอบรมอ่ะที่มนุษย์เป็นได้จึงเรียกความสําเร็จของจิตในขั้นนี้ว่าเนี่ยจะมี แล้วก็มาปิดท้ายด้วยการอบรม ไม่เป็นไปตามกันลองเราจะต้องเรียนรู้และให้เป็นไปตามกันลอง ที่กระทําเราไปกระทําที่กายกระทําที่วาจาก็คืออบรมจิตอย่างหนึ่งที่แสดง <laughs> ใช้ยาสีฟันแล้วเป็นการอบรมวาจานะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรืออ่านี่เป็นเป็นการกล่าว ที่เราจะมาเรียนพระอภิธรรมกัน 30 นาทีนี้ 89 เอ่อเรา 89 นั้น ท่านได้จัดกลุ่มจัดพวกเอาไว้โดยลําดับขอให้มองในส่วนหน้าสุด หรือแปลว่าจิตที่มั่นคงก็ได้เราก็นึกได้ทันทีว่าจิตที่ไม่ใช่อัปนาจิตนั้นชลอยจะไม่ๆไม่มั่นๆอ่ะเช่นว่าความรักที่มั่นนะเรา <thankfully, S 1> แต่ถ้าเช่นว่าเอ่อพัฒนาจิตถึงขั้นอัปนาจิตแล้วจะ 7 วัน 7 คืนนะแต่ ถูกผีไว้แล้วก็เราแก่ไปแล้วจะทําอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตในระหว่างนั้นก็มีคนมายั่วแง่แง่แต่ว่าในแง่หนึ่งที่พุทธเจ้า ผู้นั้นชื่อว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยคําว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างหยาบก็คือนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต จักปล่อยเผลอๆไม่ดีก็องค์อื่นที่ท่านก็ไม่ได้เสียด้วยบางคนหยุดใจบาตรชั่วคราวบางคนกําลังใส่บาตรเออถ้าบังเอิญไปเจอบางท่านน่ะหน้าเหมือนองค์ที่เป็นขาว จะนึกถึงสงเป็นแล้วเมื่อนึกถึงเป็นสถาบันเนี่ยจะไปไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างปุถุชนผมต้องตามพระหลายองค์เลยโดนเลยให้มีรถ แล้วก็เอาเป็นอารมณ์ครั้งจากคนอื่นมาสู่อีกองค์นึงแล้วก็บางท่านนะชื่อเสียงชื่อเกิดไปเหมือนอนันตกุลไม่เหมือนหน้าก็ไม่เหมือนนะชื่อไป แยกออกแล้วเราพูดได้เลยไม่ว่าจะเป็น นะ, 100% นะแต่พอจะ กามวาจรจิตแปลว่าจิตที่คล่องเคลียวไปในการจะใช้ขอผุดปนไปกับวจรวจรอย่างอื่นซะด้วยที่ปรากฏ นะถ้าพูดอย่างการผัดเปลี่ยนไปตามทวารก็อะไรถ้าเราพูดว่ากามาวจรแปลว่าท่องไปในกามเนี่ยท่องเที่ยวนะเพราะว่าภูมิ ถ้าใครมีจิตอยู่ในระดับนี้ใคร 11 เนี่ยภูมิกามภูมิ 11 ตั้งแต่นรกขึ้นมาถึงเทวดา 6 ชั้นเนี่ย ท่องเที่ยวไปในกามมหารมณ์จริงมั้ยฮะทุกวันเนี่ยจิต รถอะไรก็ตามนะอาหารอะไรก็ตามกามะอารมณ์ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นเมถุนเท่านั้นนะคิดนึกต่อหรือจะเรียกว่าเป็นหรือจะเรียกว่าเป็นข้าวของเงิน แหล่งเกินของเสียงคือบันแล่งกามที่อยู่ในบ้านเราซื้อมาในบ้านเราก็ซื้อไปซื้อไม่ได้เราก็เที่ยวไปฟังตามบาตามครับมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ตามระดับพื้นจิต แต่บางทีก็บอกไม่ได้ต้องหลับนี่ต้องไปเอาเทเอา หรือถ้าไม่ถึงกระเด็ดขาดทั้งหมดเป็นครั้งเป็นคราวอย่างเราๆเนี่ยนะเป็นจิตเบื้องไม่ไม่ไม่ได้ ไม่มีใครเขาอยากมาฟังหรอกแต่เราประกาศว่าเออในกรุงเทพฯจะเปิดคอร์สนะมันไม่มีอะไร ท่องเที่ยวไปในกามเลยพูดอีกทีว่าเราหยุดท่องเที่ยวไปในอาณาจักรของกามเพื่อมาท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันเป็นไปในส่วนเบื้องสูงและอันนี้แหละครับที่จะทําให้เราสูงขึ้นมาได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่ะรูปาวจรคือท่อง คนที่ทําฌานด้วยการเพ่งรูปเป็นอารมณ์เห็นเพ่ง ลมของเราเองของเราเองเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดเข้าเคาะออกอ้าวพวกธรรมกสินก็เอาขี้ดินเอาสีมา รูปวาดที่เค้าเรียกว่าอะไรเป็นศิลปะไอ้ที่ ไอ้เราได้นึกคิดอะไรออกไปได้บ้างแต่นี่เป็นเนี่ยเราดูความเคลื่อน แต่ในทางธรรมะเนี่ยท่านให้ดูอันเดียวแต่ดูไปดูไปแล้วความ สังเกตอย่างอันเดียวอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าได้เห็น เขาไม่ไปเที่ยวศอกศอกเหมือนอย่างพวกกามเป็นกีฬาของคนพวกนี้เป็นการโคจรไปของคนพวกนี้เค้า แล้วก็เมื่อทําฌานอย่างนี้แล้วก็ทําให้บุคคลพวกนั้นน่ะได้เวียนว่าย นี่ยายฉักตีเขียวมีแดงออกลงอะไรลงมหรสพทางวิญญาณน่ะนะเราพูดให้ลึก จิตใจก็ต้องค่อยๆเคลื่อนไปจนถึงถ้ายังเราไม่ถึงเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเป็นของดีๆเลยเป็นของไม่มีคุณค่าก็ไป แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาสอนธรรมะเพราะตัวคนเชื่อไม่เชื่อท่านแสดงความจริงแล้วก็ถือว่าคนทั้งศาสนะ ความเห็นความเชื่อของเราก็ไกลออกไปลึกลงไปลึกลงไปนี่แหละเป็นภาระหน้าที่ที่เรา บางคนก็มีศีลแล้วก็เต็มบริบูรณ์อยู่แค่นั้นยังชื่ออ่าชั้นที่ 1 นะเรายืนอยู่ที่นี่เราค่อยๆ ไปโดยลําดับวันหนึ่งก็จะต้องถึงเองก็ คือมรรคจิตผลจิตเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ทรงแสดงปฏิปทาเพื่อให้ สิ่งที่แตกทําลายได้เวียนกลับไปสู่ที่อื่นได้ว่าโลกถึงแม้ว่าเอ่อบางภูมินั้นนะถ้าอธิบายออกมาเนี่ย อาจารย์ท่านก็บอกว่าโลกธรรม 8 นั้นหมุนเวียนไปตามโลกโลกหมุนเวียนไปตามโลกธรรม 8 มันผ่านหน้าเราอยู่ทุกเมื่อเชียววันสรรเสริญตนินทาวัน นะปายกามไม่ได้พูดถึงปลายรูปปลายอรูปหรอกแต่ใน จะมีสภาพเหมือนกับบุคคลที่มีสภาพเหมือนกับบุคคลที่ถ้านะจะมีความรู้แต่เรานั้น เหนือสิ่งที่ปกปลอกเหล่านั้นแล้วเอ่อที่ผมๆสําหรับเอ่อเหตุผลในตรงนี้ พบภูมิต่างๆคือการเวียนว่ายตายเกิดแม้ชั่วการเพียงรักนิ้วมือเดียวต่ำของต่าง ถ้าเราถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ห่วงแล้วครับไอ้ที่เรายังห่วงครับแปลว่าเรายังไม่ถึงถ้าเรา ยังยึดอยู่กับโลกยังพอใจอยู่กับโลกทั้งในส่วนเหตุในส่วนผลส่วนเหตุก็เช่นว่าจิตบางดวงถ้าสัตว์ผู้ มีจิตในขั้นโลกิยะเนี่ยเรียกว่าสัตว์เพราะยังเป็นผู้ข้องแต่ไอ้เรื่องโลกๆทั้งนั้นท่าน ก็จะหมดเยื่อยายในอะไรๆที่เกี่ยวกับโลกแต่ยังอาจประพฤติอนุเคราะห์แก่ชาวโลกตามอะไรอะไรแก่ชาวโลกไปตามควรแก่เหตุไปรู้ถึงขั้นโลกุตตระ แปลว่าจิตที่ดีงามจิตอีกพวกหนึ่งอ่าในนี้เขียนแต่อโสภนะให้อย่างอกุศลจิตที่หรือเป็นอโสภนะเป็นจิตที่ไม่งามก็นะสําหรับเพราะว่ามหา อบวกกตะเนี่ยนะแปลว่าจิตที่เข้าถึงในความเป็นราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้า อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรในทางโลกเลยนะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยมีแต่ไตรจีวรมีแต่คันธกุฎีมาท่านถือนั้นเพราะฉะนั้น บางคนในรูปร่างแคะแกนเล็กเป็นคนแคะแต่ท่านชีบอกว่าสมณะ คนที่เรียกว่าจะเอาอะไรก็ได้พลังความสุขที่ท่านได้ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือได้ฌานเนี่ยกําลังจิต โลกุตระนั้นเป็นจิตที่เป็นไปเหนือความที่ไม่ควรเล็กแล้วนะพ้นไปแล้วโลกิยะนี่ยังมาแบ่งเล็กแบ่งใหญ่ถ้าให้นะบาง และคนที่มีอานุภาพอย่างนี้นี่แหละยิ่งใหญ่จริงบริสุทธิ์จริงแล้วก็ความยิ่ง อยู่คนเดียวในในป่าก็สามารถที่จะทําอะไรให้เกิดขึ้นได้มีความสุข เพราะคนที่เกิดกุศลน่ะถือว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดทําไมถึงว่าที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นนะฮะใครที่เกิดกุศลจิตใครที่ทําบุญชื่อว่าได้ ต้องคิดดูนะอย่างสมมุติว่าสัตว์เดรัจฉานมันจะกินสัตว์เดรัจฉานด้วยกันเป็นอาหารบางสมัยวิวว่าไม่มีซีฟ แต่มนุษย์เราเนี่ยเรานึกว่าเราฉลาดเราวางแผนทําบาปนะโง่โง่เป็นพิเศษนะเนี่ยพวกคนไหนที่รู้ตัวว่ามากในนะในหมู่คน ทำให้ก็ได้ทําบาปน้อยเนี่ยพูดภาษาคนไหนที่รู้คิดฆ่าตัวแยบยลโอกาสตายมีมากแต่คนไหนวางไม่มีแผนน้อย แต่โอกาสมีชีวิตอยู่คนอื่นเค้าชวนก็มีมากคือเรานึงจะเลือกเอาคนอยู่บ้านแล้วก็มี โดยการใช้คนหนึ่งไปซื้อของทีหนึ่งใช้คนหนึ่งไปซื้อของทีหนึ่งพอไม่มีคนอยู่ทั้งทั้งบ้านแล้วเป็นพี่รุษล่ะเพราะว่ามีอย่างแล้วอยู่ๆมาใช้กันทั้งบ้านลูกคน เป็นความบาลโง่ฉลาดที่เป็นไปเพื่อการจะทําเนี่ยก็ยังว่านะฮะเป็นความไม่ฉลาดตรงกันๆเนี่ยแปลว่า อ้างแล้วว่าใหม่ก็คือไม่มีเหตุนี้พอแปลอย่างนี้แล้วเราอะไรทุกสิ่งว่าเหตุในพระพุทธศาสนามีหลายอย่างนะฮะ เนื่องว่าเหตุเป็นความหมายตามรูปศัพท์ทีนี้เวลาท่านมาใช้ท่านใช้เป็น 2 อย่างอย่างหนึ่งใช้ในความอะอะไรเกิดอะไรอันนั้นก็เป็นเหตุของ อังคังนั้นชั่นชัยในความหมายเช่นโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุทํานะเป็นเหตุทําให้ ในความหมายเฉพาะที่ว่าเหตุให้เกิดบาปสําหรับอโลภะอโทสะ ในพระภิกขุทั่วๆไปก็เรียกในเหตุ 6 จะไม่ได้หมายถึง 6 จึงได้ความ จิตนั้นชื่อว่าอเหตุกจิตคือจิตเป็นเหตุคราวนี้ถ้าถามนะแต่เมื่อถามในแง่ของกําลังเป็นจิตไม่ เด็กอ่อนเนี่ยความสําคัญหมายในทางบุญทางบาปไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเรา เจ้าความพิสุทธิ์นั่นไปทําอะไรก็ไม่ได้นะไม่ได้เป็นพระอาลักษณ์จะไปกราบไปไหว้ในฐานะท่านเมื่อกล่าวว่าแล้วในความหมายส่วนหนึ่งท่าน สารหลายที่ขึ้นในน้ํามันลอยไปลอยมาไม่มีรากแก้วจิตบาปเนี่ยมันบาปจริงแต่มันมั่นคงอ่ะมั่นคงในบาปมันรากแก้วอ่ะอ้าว ตามประแสเหตุปัจจัยอื่นๆนะไม่ใช่กระแสของดีเชื้อชั่วในใจเราจึงอาจจะพูดเลยเป็นจิตลอยชัดๆก็ลอยใจลอยเลยใจลอยนอกนั้นไม่ใช่ใจลอยเป็นใจนะแล้วเวลาเรา เดี๋ยวเอามาใส่โคนไม้เป็นปุ๋ยอ่ะตัวมันเองเอามากินมาอะไรก็เช่นขณะที่เนี่ยจิตเห็นนี่ท่าน เห็นเข้าค่ากันก็ไม่ใช่จะต้องบาปเห็นพระฟังพระเอ่อเห็นพระก็ไม่ใช่ต้องได้บุญที่มาได้บุญ จากจอกเหล่านั้นจอกเหล่านั้นท่านพระอุปัชฌาย์บอกว่าเมื่อตาเห็นรูปต้องไป フェイスวยจริงจะต้องบรรลุมรรคผลได้มันบรรลุแล้วไม่ 12 และถ้าท่านเอิร์ทจะท่านเกิดจะเปลี่ยนใจไม่มาถ้าแค่นั้นผมก็ชนิดนะเราจะ โหลดก็ดีๆดีๆหน่อยหงุก็หงุให้ให้ๆหน่อยนี่ถ้าจะเอียงนี้วันนี้ค่ะขอโทษข้างข้างห้องด้วยค่ะมีเวลาพอสําหรับจริงๆนะก็ ต้องขอเรียนว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เอ่อโครงการนี้มีผู้สนับสนุนอย่างอุ่นนาสาขา มาตามเมฆคนเดิมรายการอภิธรรมสําหรับผู้เริ่มเรียนระหว่างพระบรรพจารย์นั้นก็เป็นรายการต้อนรับเทศกาลเข้าบรรพจารย์สําหรับรายการนี้จิต จะพึงศึกษารู้และนมัสการได้นะคะแล้วแม่เจอท่าน <c oughs> test สมัครของพอแค่นั้นมีใครบางท่านยกๆสําหรับเอ่อเรื่องราวต่างๆเป็น ศัพท์แสงต่างๆที่อาจารย์ยกขึ้นมาเอ่อสอนในรูปมีเทนเข้าทนของเขานะ นะคะจะเข้าใจว่าสําหรับท่านที่ๆเหล่านี้เมื่อครั้งแรกที่ได้ยินได้ ไอ้ไอ้รูปต่อๆที่เด็กๆเล่น การฟังการอ่านเอ่อซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติ ก็เป็นเรื่องของนภานมีเท่านั้นเอง 4 ประการและ 3 ประการคือจิตเจตสิกกลุ่ม เชิงอัตภาพตัวเราและสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเท่านั้นว่ามันอุบัติเกิดขึ้นด้วยมโนปุพพังคมาธรรมะมโน มีใจเป็นประธานมีจิตเป็นประธานมีใจมาก่อนสมดุลได้ที่จิตนะคะทุกอย่างอยู่ เอ่อจะอึดอย่างเป็นต้นว่าภวังค์จิตเนี่ยคนที่ไม่เรียนอภิธรรม เป็นอัปปนาจิตเป็นมหคตจิตเป็นธานิจิตจิตพวกนี้นี่จิตหนักแน่น ลมมหคตะจิตหรือชานจิตนี่เป็นกุศลชาติเห็นมั้ยคะคิดกันหมดเลยคืนนี้เราตั้ง พุทธวงศ์มหัศจรรย์ใจในความสุขลึก 2 นาทีนะคะเอ่อเป็น 17 ที่ประเทศเกาหลีเป็นเจ้า การสัมมนาเชิงวิชาการที่ นะคะอัติตถิที่ของพระพุทธจริตนา 8 บ้างเรื่องฉัติบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างนะคะ 1 หรือทัศนะ 1 ที่ท่านที่ คือกว่าไอเดนติตี้ที่แท้จริงของผู้ตรัสรู้สมณะนี้อยู่ ว่าโลภิยธรรมนั่นคืออะไรก็คือวัฏฏะสังสาระเพราะฉะนั้นโลภิยธรรม of existence แล้วเรื่องของวัฏฏะสังสาระหรือเรื่องของโลภิยธรรม ผู้ฉันทัศน์ในแขปแสงของเอ่ออภิธรรมแล้วจึง ภาพของซี้ตัวเองว่า นะคะแค่นี้ก่อนเอ่อความเอเหลือ แต่ระดมทรัพยากรนี้เป็นห่วงว่าโครงการ มีหน่วยเฉพาะเราต้องการให้ที่นี้สถานที่นี้ซึ่ง ก็ขอให้มาที่นี่มีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนหยิบยืมบ่ายวันเสาร์ถึง 2:00 น. ซึ่งเราแต่เดือนเมษายนแต่เนื่อง แม้ก็ไม่เป็นไรทุกครั้งก็ตามก็ไม่เป็นไรเพราะเราใช้พระสูตรจากสังยุตตนิกายเป็นแกนกลางภ่าน แล้วก็ท่านผู้ใดที่ยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในทางธรรมนี่เราจะจัดเทศน์มาคณะนิยูธิกาสมาคมกําลังๆไม่เฉพาะที่รายการที่ เอ่อเทศน์เหล่านี้เป็นเทศน์ที่มีประโยชน์ท่านนิชคุณวัด <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเรายังจะไปที่เอ่อสำนักอื่นที่มีหนังสือ โอโหเล่ซีลัทธิไหลเลยนะคะหูตั้งเป็นชื่อหมาหมาตัวหนึ่งนะคะซึ่งเกิดมาอ่าผู้ที่ได้พบได้เห็น นอกจากนั้นเราจะจัดรายการอบรมกรรมฐาน ขอให้ทุก